ดาท่านผู้ที่บริสัทธ์น้หลได้พาการสมาานพลัดพนัทใจแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเึ่งอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีพื่นคการสารวจจิตอีกการปฏิบัติเรื่องสมาธิเราต้องปฏิบัติจำแบบนี้ ว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสีอก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าแล้วการปฏิบัติเก้าสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังแจ่มเงื่อนอารมจิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมควรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังปกครองอยู่จะได้กลับตัวอารมณ์จิตให้มันดีให้จะอาจสม่ำเสมอคนจะผลที่จะเกิได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอ น, นาคามีผลตอนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากำลังจิตของเราที่จะปฏิบัติพอถึงมากผล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 แต่เวลาเข้าสมาธิจริง ๆ, ๆเขาจับในชานหนึ่งสองสามสี่ตาดับเมื่อชา้นสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปเมื่อไม่ใช่มาอยู่ๆว่าจับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายเขมใดท้ายก็ต้นกับเสียบปลายเไมไดท <c oughs> ี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาที่อารมณ์ก็อนาคามมียความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดวูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับก็โสดาปฏิพินธ์ท่านพระเจ้าบอกว่า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 มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าปโซดากะศิทาคามียอยู่ในเขตพระที่ศีลสิกขาจำไว้ดีนี่จะบอกว่าปัจโซดากะศีทาคาเมียมีที่ศีลสิกขาเป็นสคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ฉะนั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ในสีนี้แลจะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนาหนักปัญญาก็จะไม่กล้าวมากเกินไปเป็นแต่เพีว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระสนดามีความยึดมั่นไม่แปรพันมีความรู้สิกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ดนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแล้วความสุขที่พึ่งมีก็อาใัยพูท่านนสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังคารโนสติกรรมฐานคือมีความยึดมัน่นยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรมรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ในเมื่อนักทีพระพุทธธรรมเราส่งแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อการนำใบโยภูมินั่นคือทรงศินห้าบริสุทธิ์สําหรับครวัตสำหรับรรบริสุทสมเณรก็มีสินของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ฟารบเพื่อการแสดงบัตคือเป็นผู้ไม่มีบัตรจะแสดงแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้การมีสินบริสุทธิ์จะจิตควบคุมสินเป็นอารมณ์เรียกว่ า, าศีลลานสติกมรรมาฐานนี่การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสิ่งกันเฉยเมื่อจะมาทานสิ่งกันเฉยๆไม่มีกำลังธรรมะตัวเองเขาควบคุมสินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่ครอบคุณสมเสียได้จริงๆก็คือพรห ม, มีหันศีนี่เราก็พิจนาว่าพรห ม, มีหันศีเขาเรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรห ม, มีหันศีครบถ้วนศีลเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็สรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่อเสียส่งตัวสมาธิส่งตัวอยู่ที่พรห ม, มีหานศ ที่พรมิหารสีนี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พมิหารสีข้าเราบกร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือหิริโลตปะ ที่รความอายต่อความชั่วโอต ป, ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติการนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าโอเปอสมาโนสตินี่เรากำลังนั่งลถอยหลังวเราศึกษากันมาถึงพระ อ, อ น, นาคามีคือความจริงสำนักนี้สอนสด้วยอรหัตผลมาตั้งศตวรที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุ ข, ขวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งคิ่เจรณดูจิตของเราว่ามรณาลุสติกามฐานเนี่ยเรากําหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหลืว่าลืมไปหลายหลวันจะมีความรู้สึกเสียีว่าเราจะตายก็จริงวรณาลุสตินี่ท่านแนะนําให้มีความรู้สึกไม่เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้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 นี่เราคิดถึงความตายแต่มันอีกครั้งถ้าเราเผยขอ้อนี้ก็จงเปนนามใจของเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับรับเื้อกับทุงความจริงๆความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายยังนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่ควรพิจารณาจิตของตนแล้วก็มาใคร่ควถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บาเหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะวนานา้ำใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท้ายของอบายาภูมิ่อมาก็มาพิจารณาสินว่าเราบกพร่องมะรุรเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชี้ว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องไในสิน นี่ก็มองไปดูพมีหานสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพมีหานสีหรือเปล่าอีกผู้เรามีความรู้สึกว่าเรารักค น, นสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองก็เลยฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การระพึกร่างพาดแต่บางเป็นของธรรมดาของปกตุชนนี่ตไม้ว่าจงพระอนาค า, า, ามีก็ยังมีฟังมีพลาดแต่เป็นอารมณ์สเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดแหาไภายเพื่อความนักมโนปราบหรือให้อาภัยเพราะการท่งสายขเขามันเป็นในฐานะดีเขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่หั่นคงมีปัญญาไม่รอบขอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาทิสัญญาคนอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกิดมีสที่พึงโลกจะเจ้าโน้ตพึงหนีได้ เกิดขึ้นกับเราก็ดีเืิอถึงกับเพื่อนก็ดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทำจิตวางเฉยได้ไหมในบบกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราพิจารทาตัวเราว่าการสี่ประการนี้มีกบนหรือว่บกพรองคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อน็ว่าขาดสมริหานสี่ นี่เป็นดักตน้นถ้าเอาไว้จิตเราครบพ้นบมก็พอมีหานสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือยเย็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งว่าเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเราไม่มีเมื่อเราพิจานณาถึงพมีหานสีว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบจะไม่ครบเราก็ไปดูที่วาตาจาัสติกรรมฐาน ว่าฮีรีละอตัตตาไอความไอบาปเปร่งคัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวิ จ, จวาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายต่อคนเอง่นเขาลักทัพย์เขาและเมืดในกายมาลงวาจามันไม่ดีชอบพูดคำหยาพวกมดเห็ดพวกคำหยาพอดละเสียเพื่อเจื อ, อหรือไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างกําลังใจก็ไม่กันคอยคิดประทุษร้ายของคนอื่น้ตลอดเวลาเป็นอนุวาตการที่ตามกล่าวมาแล้วนี่ถ้ามันมีก็สแสดงว่าเราไม่รู้จักความชัว่วไม่ไอายความชัว่วถ้าเราอายความชัว่วเราก็ไม่ทํา กลผลของความทุ่ข์จะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดเนี่ยการทาหลายเหล่านี้มีในจิตเราบาา้างหรือเปล่าและรมอย่างถึงผลิพานเรามีบ้หรือเปลา่าคิดถึงผลิพานวันไหนกีค่ครั้งนี่คือการทบทวน ก, กาําลังจิตอันดับต่ำถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เเรานึกิ้งความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธธรรมสงค์มีสินห้าบริสุทธ์สำหรับาาครวมมัตยอดเองก็เป็นสิ่งของตัวทรงพอ ม, มีหารสี่เป็นปกติมีหิรลลิโลสะปาประจำใจก็มีอุปสมนาสติกรรมฐานได้ถึงปณิพ า, าน์าาเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกว่าประสูตดาปฏิพัเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในได้ของความดีในเขตของพระพุทศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจาไว้นะแค่นี้นมันต่ำที่สุด ถ้าเร็วกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเร็วกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์นะบไบโยพูถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่คิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตรายแล้วก็เป็นนักสไปซนสัตว์นรกไปไ <c oughs> ม่กลเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องเป็นานามไวเสมอ อยติท่านลงตนว่าเป็นผู้วิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลี่ยพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดกรบพวกคนใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็เป็นขงโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพวกคนนั้นเป็นบัณฑิตต้อเป็นผู้รู้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 นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสําหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรีนกนนอันดับสูงนี่เราไม่ปไปปีปากปีปากตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช้่ยานเร็วดีสุดตายแล้วเราไปเกิด เ, เป็นเทวดาด้วยผมเรามีชาติเกิดจํากัดหนึ่งชาติสามชาติเกียชาติเป็นอย่างมากและไม่ลงอบยัยวะผม นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้และนานดับต่อไปข้าอยากกำลังใจเข้าีปนิดว่าสำหรับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพราสมดาบันยังมีอยู่ที่อยู่ในขอบเขตของศีล นี่เราทําลายความโลภได้มีจิตเมตตาุณาสงสารครือมีการให้ทานเป็นปกติเปการตัดความเสน่ห์ในจิตความโลภขอเราเบาบางลงบ้างไหมความโกรธเราทําลายเพืนน่อนได้ของพู้มีฐานสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อาภัยแต่บุคคลทีม่มีความผิดที่เราเรียกว่ า, า, ยายัยาธิ ไม่ถือโทษเกิดเขานี่เมื่อมีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราหงุดหแต่พอยักย้ายช่างใจทงใจได้แล้วก็ให้ไปไม่ถือโทษโท ษ, โทษต่อไปอันนี้มีแจ่เราเราเปล่าเลิกความหลงคือมีปัญญาสงสัยคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขมันเป็นสมุทฐานแห่งความทุกข์ที่กำลังมี ถ้าเราหลงไหลายไปฝันว่าต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการไปผู้นิพันธ์ไปพ้นจากวัฏฏะอารมณอย่างนี้ของเรามีทรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าอิจขอเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ตรงเป็นปกติ เขาแสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสกิชาคามีนี่ต่อไปเราก็ไปเจนนายทีเมื่อเราศึกษาจะมาถึงพระอนาคามีก็ไม่นั่งคุ้พระอนาคามีเนี่ยต้องมีอารมณ์ติตเข้มแข็งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นที่จิตศึกษามีอารมณ์ติดเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอ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 เราตัดความมัวเมาในเพลินได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศินอันนี้มีในติฟของเราหีือย่างเรายังบุกฟ้องก่อนไหนแล้วกระบานการที่สองลราตัดปฏิฆะเห้คําว่าปฏิฆะนี่คืออารมณ์เข้ามาทับจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเหยียบบัตรปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธยังไม่ทันจะเหยียบบัตร พอวาจาเขาเข้ามาประทับจิจเรื่อง ก, า ย, กายเขาแสดงเข้ามาประทับจิตมาแสดงเรืงความเป็นศัตรูเพือสั่งแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้น ท, ทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกคนย่ำต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือ น, นินทากับสันเซนถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไมครับเฉยไม่มีความรู้สึก สั่นเสือนั่นก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาจะถูกนินทาและถูกสร่เสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกลักษณ์ลไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคําว่าเห็นคํานินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปได้ฟังคําสรรเสริญก็นเพีงนึกว่ามีเขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสั่เสริญ ย, ยกย่องเรา มันเป็นตัดใจแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทานเราส่งเสริมเนอยู่ที่เราทวกรวมกำลังใจของเราสุกตอนนี้อารมณ์ขอะเยาดะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือเห็ตาเห็นคนณลัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามแล้วก็เบือนหน้านหนีรั้ว่จสิงแท้หลายเหล่านี้มันสปกปรกจะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนาตา และก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำเรียนธาติสังเสริญอารมณ์ที่เป็นอิจฉารมณ์ก็ดีหรออิจฉารมณ์ได้ก่อารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ชอบใจอั น, นิจฉารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าทงตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติประจมาฐานเขาต้องทําแบบนี้ ฟังแล้วคนนาไปคิดใกล้คนที่เจรนาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทํางเวลาลืมตาและหลับตาจริงจะใช้ได้แล้วเจรนาว่าใจของเราทรงแล้อันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นเทวสิกิทาคามีได้หรือยังเป็นพวานนาคามีได้หรือยังถ้าโสดาบันยไม่ได้จงตั้งใจไปนรกตามความประสงค์ อะไรต่อต้นี้ไปภาวนาพุทธันพุทบริษัทหลายพากันตั้างกายให้ทรดงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าใช้ยินเสียงญาณบอกมดเวลา